เวลาเราอยากได้อยากซื้อของบางอย่างแล้วบอกว่าพอไปที่ร้านเนี่ยร้านปิดนะตอนที่เป็นช่วงกลางวันแสกๆเนี่ยเราคงจะหงุดหงิดนะหรือไม่พอใจอ่าแต่ถ้าเกิดว่าร้านนั้นเนี่ยเขาติดป้ายไม่ใช่แค่บอกว่าปิดร้านนะแต่มีเหตุผลด้วยนะบางทีเราก็ให้อภัยได้นะ หรือบางทีก็อดคำไม่ได้นอย่างมีร้านโชว์หวยร้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่เชิงโชว์หวยแบบที่เราเข้าใจนะก็เป็นมินิซูเปอร์มาร์เก็ตนะบอกว่ากลางวันเนี่ยตอนบ่ายๆเนี่ยลูกค้าไปซื้อของไม่ได้เลยเพราะเขาปิดนะเจ้าของร้านบอกว่าขอปิดร้านสองสามชั่วโมงเพราะง่วงทนไม่ไหวเห็นแบบนี้เราก็อดยิ้มไม่ได้นะว่าเออก็เห็นใจคนนะ ดีกว่าว่าปิดโดยที่ไม่บอกเหตุผลนะแต่บางครั้งเนี่ยป้ายที่ประกาศปิดร้านนี่หรือหยุดร้านเนี่ยแทนที่จะทำให้เรายิ้มนะอาจจะทำให้เราอึ้งก็ได้นะอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยมีร้านอาหารอาหารตามสั่งเนี่ยร้านหนึ่งอ่ะร้านห้องแถวนะ เมื่อต้นเดือนเนี่ยเขาติดป้ายว่าขอหยุดหลายวันและอาจเป็นเดือนเพราะลูกชายป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วขอแจ้งลูกค้าให้ทราบโดยทั่วกันว่าอยากใช้เวลาอยู่กับลูกและจึงทายว่าเนี่ยขอลูกค้าอย่าพิ่งทิ้งกันนะ ้ใครที่เห็นป้ายนี้ก็คงจะอึ้งนะแล้วก็สงสารสงสารทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ลูกที่กำลังป่วยอยู่คงไม่มีใครนะจะโกรธจะโมโหนะที่อุตสามาร้านนี้ล้วร้านปิดพอนึกถึงใจของ เจ้าของร้านเนี่ยก็คงจะรับรู้ได้นะถึงความเศร้าความทุกข์ลูกชายเจ้าของร้านเนี่ยนะอายุก็ไม่มากนะแปก้าขวบนะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะลิวคเมียแล้วก็รักษาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้นแถมแย่ลงนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร ก็คิดว่าเนี่ยช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาสำคัญควรจะได้อยู่กับลูกให้รายได้ก็สําคัญนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรมากแต่ที่จริงรายได้นี่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเป็นค่ารักษาเยียวยาลูกได้แต่ว่าพ่อแม่ก็งลู ก, กนะว่าเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยเงินมันสําคัญน้อยกว่าเวลาที่จะให้นะกับลูกเพราะว่าลูกมีเวลาเหลือน้อยแล้ว เวลาคนคนเราป่วยเนี่ยนะบางทีมันไม่มีอะไรสำคัญนะมาเท่ากับความใส่ใจจากคนรักนะพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของร้านนี้เขาก็เลยตัดสินใจนะว่าปิดร้านดีกว่าไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอย่างน้อยมีเวลาได้อยู่กับลูกนะให้กำลังใจลูกดูใจลูก จริงๆไม่ใช่ลูกเวลาลูกป่วยเนะท่านะเวลางทีเวลาพ่อแม่ป่วยเนี่ยลูกหลายคนเนี่ยก็คิดถึงแต่เพียงว่าเนี่ยจะหาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้อย่างไรและบางคนก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินในการดูแลพ่อแม่นะแต่ว่ายังห่วงนะห่วงเงินห่วงไรายได้หลายคนก็ตัดสินใจที่จะ ทำมาหาเงินต่อไปเราก็เอาเงินที่ได้นี่ไปจ้างไปจ้างพี่เลี้ยงไปจ้างคนมาดูแลพ่อแม่แทนนะซึ่งอาจจะดูเหมือนดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีเท่ากับการที่ลูกเนี่ยจะมาอยู่ใกล้พ่อแม่นะเพราะว่าสิ่งที่พ่อแม่ต้องการไม่ใช่แค่การดูแลทางกาย การดูแลทางกายเนี่ยก็สําคัญนะหมอพยาบาลก็สําคัญยาก็สําคัญแต่ว่าการดูแลทางใจก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันอาจจะยิ่งกว่าก็ได้โดยเฉพาะคนที่ป่วยในระยะท้ายนั้นถ้ามีลูกเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขาปิดร้านจะไปดูแลพ่อแม่ซึ่งอยู่ในระยะท้ายเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าสรรเสริญ น, นะแล้วก็น่าเห็นใจไปพร้อมๆกันตอนนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าเนี่ยเห็นป้ายนี่แล้วเนี่ยนอกจากจะอึง้งนอกจากจะเห็นใจเจ้าของร้านนะที่ว่าอย่างหนึ่งที่มีหรือรู้สึกได้คือความซาบซึ้งนะซาบซึ้งใจว่าเนี่ยเจ้าของร้านนี้เขายังให้ความสําคัญกับลูกค้านะ ลูกค้ามีความสำคัญกับเขามากถึงก็บอกว่าเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งกันนะไอค้คาคาสั้นๆเนี่ยนะมันมีความหมายนะต่อลูกค้ามากเลยหรือต่อคนที่ได้เห็นนะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขามีความเรียกว่าเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญนะของลูกค้าแล้วเขากลัวว่าเนี่ยถ้าเขาหายไปปิดร้านไปเป็นเดือนเนี่ย ลูกค้าจะไม่เข้าใจนะเพราะลูกค้าบางคนเนี่ยพอปิดร้านนานๆนี่ก็ทิ้งเลยนะอาจจะโมโหเจ้าของร้านนะว่าไม่เห็นความสำคัญของตัวเองปิดแบบไม่มีปีไม่มีคุยนะแต่ว่าพอเจอข้อความแบบนี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออเจ้าของร้านนี่เขาให้ความสำคัญกับลูกค้านะถึงกับวิงบอลขอร้องว่าอย่าทิ้งกันนะ เจอแบบนี้นลูกค้าคนไหนเนี่ยนะไม่มีลูกค้าคนไหนที่อยากจะทิ้งนะถ้าเปิดร้านเมื่อไหร่ก็อยากจะไปช่วยไปอุดหนุนนะด้ยที่งการเขียนข้อความแบบนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อลูกค้าโดยเพราะบางทีลูกค้าเนี่ยเขาผูกพันกับเจ้าของนะเวลาเห็นเจ้าของมีความทุกข์แบบนี้ก็อยากจะช่วยแต่เมื่อจะช่วยยังไงนะเดีช่วยบรรเทาความทุกข์ แต่พอทิ้งท้ายไปแบบนั้นเนี่ยเขก็รู้ว่าเออมันมีสิ่งนึ่งที่เราช่วยได้นะก็คืออุดหนุนนะอุดหนุนร้านนี้นะเมื่อเขากลับมาเปิดร้านใหม่ในการที่คนเราเนี่ยรู้ว่าจะช่วยผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนยังไงเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึก ด, ดีนะกับฝ่ายที่เป็นผู้ช่วยให้ความช่วยเหลือนะและที่จริงเนี่ยบางที ให้การช่วยเหลือคนที่เขากำลังโศกกำลังเศร้าเนี่ยหรือสูญเสียคนรักเนี่ยในสิ่งที่สำคัญมากกว่าคำพูดนะปอบประโรมเนี่ยก็คือการที่ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือเขาแต่คำพูดก็มีส่วนช่วยนะยางก็มีลูกค้าหลายคนเนี่ยโทรไปปอบโยนโทรไปให้กำลังใจเจ้าของร้านนะแต่ว่าในยามที่เขาสูญเสียเนี่ย ถ, ถึงว่าเมื่อวันนั้นูเมื่อวันที่ศูนย์เสียเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยบางทีเจ้าตัวเนี่ยเรียกว่าไปไม่เป็นเลยทำอะไรไม่ถูกนะเอาแต่นั่งเศร้าแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะช่วยได้คือว่าช่วยช่วยแบ่งบาภาระของเขาอาจจะช่วยทำความสะอาดบ้านช่วยหาอาหารมาให้นะ หรือว่าช่วยลดน้ำต้นไมใ้ให้แบบนี้นี่มันมีความหมายต่อผู้สูญเสียเนี่ยยิ่งกว่าคำพูดนะที่ไพอสอิกนะแม้จะไม่พูดอะไรเลยนะแต่ว่ามาช่วยลดน้ำต้นไม้ให้ช่วยเอาอาหารมาให้ช่วยล้างจานให้ช่วยเก็บกวาดบ้านให้โอ้มันมีความหมายมากนะต่อ ผู้สูญเสียซึ่งในกรณีนี้สำหรับลูกค้าเนี่ยพอเจอป้ายแบบนี้ก็รู้แล้วนะว่าถ้าร้านเปิดเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะช่วยเขาอย่างไงอันนี้ก็ในแงน่หนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นเนี่ยอย่า ง, งาน้อยก็ทราบซึ้งใจแล้วนะว่าเจ้าของร้านนี่เขาเห็นคุณค่าของลูกค้า เกีกับวิงบอลนะ ว, ว่าลูกค้าอย่าเพิ่งทิ้งกันนะอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะที่มันทําให้เชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างคนเราด้วยกันนะเวลามีความทุกข์เราควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฝ่ายที่ทุกข์ก็อ่าบอกเล่าความทุกข์ให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังหรือให้คนที่อยู่แวดล้อมคนที่อยู่แวดล้อมก็ หาทางช่วยนะซึ่งวันนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะกับร้านใหญ่ๆที่เป็นเครือข่ายใหญ่โตแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะร้านโชว์หัวร้านเล็กๆที่เจ้าของนี่เขาเป็นบุคคลที่ลูกค้ามีสายสัมพันธ์กันอันนี้ก็เป็นง่ายดีของร้านเล็กๆนะถ้าว่าร้านต่อไปมันมีแต่ร้านใหญ่ๆเป็นเป็นเครือข่ายเนี่ยไอ้ป้ายแบบนี้คงจะไม่มีแล้วก็สายสัมพันธ์ที่จะช่วยเหลือกันระหว่างเจ้าของร้านกับลูกค้าก็คงจะหมดไปเหมือนกัน